บุกสอสิบเด็กเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ฮิเอโรฮอดียอโมอร์กเมื่อวานเป็นวันเสารา์ฮิเอรเอติสซาบ to เมื่อวานดิฉันไปดูหนังที e r o า i e s t ส s en la นด์ลาหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจ La f i l m ม e s สทีสอินเทเรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ Po ดิเอ s ยวเอสตาสด วันนี้ดิฉันไม่ทำงานดิฉันอยู่บ้านพรุ่งนี้เป็นวันจนันทร์พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก ดี aboros ฉันทำงานที่สำนักงานคนนั้นคือใครคนนั้นคือปีเตอร์ร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษา เพราะเ t อ s ตูเดนต์คนนั้นคือใครเขาสตู estás, คนนั้นคือมา่า estás Marta มา่าเป็นเลขานุการมาธาสตูเซครีตารี i n น ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธามาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์